พระจันทร์เต็มดวงในเดือนไหนผ่านกลุ่มดาวอะไรก็เรียกชื่อเดือนตามกลุ่มดาวนั้นเช่นพระจันทร์เต็มดวงผ่านกลุ่มดาวชื่อกัตติกาก็เรียกเดือนนั้นว่าเดือนกัตติกะพระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อมัคคะก็เรียกเดือนนั้นว่ามาคะพระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อวิสาข า, ขาก็เรียกเดือนนั้นว่าเวสาขา ส่วนวันเข้าภรรษากำหนดตามฤดูที่แบ่งออกเป็นสคือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันรามหนึ่งค่ำเดือน4ถึงวันกลางเดือน8รวมสี่เดือนฤดูฝนกำหนดตั้งแต่วันรามหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันกลาง 12, เดือน12รวมสี่เดือนและฤดูหนาวกำหนดตั้งแต่วันรามหนึ่งค่ำเดือน12ถึงวันกลางเดือน4รวมสี่เดือนเช่นเดียวกัน การจะรู้กำหนดดังกล่าวก็ต้องดูท้องฟ้าซึ่งเป็นแผ่นปฏิทินใหญ่ว่าดวงจันโคโจรไปถึงไหนผ่านกลุ่มดาวอะไรก็กำหนดฤดูเดือนวันได้ตกลงวันมาฆ้าบูชาวิสาขาบูชาและเข้าพรรษาไม่ใช่เอาดีกันที่ตรงเลิกนั้นๆแต่อาศัยดาวเลิก27็กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดปฏิทินเท่านั้น ความจริงหลักสามประการในการกำหนดเดือนคือหนึ่งพระจันทร์เต็มดวง 2. โครจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ที่เป็นชื่อของเดือน 3. ดีทีนั้นต้องเป็นดีทีที่15หนับแต่วันขึ้นหนึ่งข้ามาเราจะเห็นได้ว่าข้อกำหนดทั้งสมนี้มีคลาดเคลื่อนกันอยู่เสมอเช่นพระจันทร์เต็มดวงแต่ยังไม่สวยเริกนั้น ยังขาดไปอีกหนึ่งเลิกหรือดิถีคลาดเคลื่อนไปวันหนึ่งแต่รวมความแล้วก็ถือเอาถูกส่วนมากเป็นประมาณผู้ที่รู้จักถือเอาประโยชน์ก็เพ่งเพียงพอกำหนดเป็นปฏิทินได้ส่วนผู้เข้าใจผิดก็นึกว่าเป็นเรื่องถือเลิกยามเพราะเห็นข้อกำหนดว่าพระจันท์เต็มดวงเข้าเลิกนั้นเลิกนี้แล้วหรือยังกลายเป็นจะเอาดีกันที่ตรงดาวเลิกซึ่งกลายเป็นเรื่องวุ่นวายไป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 คือคิดตามวิถีโคโจรของดวงจันทร์ในสมัยปัจจุบันกำหนดปฏิทินตามวิถีโคโจรของดวงอาทิตย์จึงเรียกว่าปฏิทินสุริยคติผู้เขียนขอกล่าวใจความสาคัญในเรื่องเลิกยามตามคติทางพระพุทธศาสนาโดยย่อเพื่อเป็นแนวทําความเข้าใจกันดังนี้ข้อที่หนึ่งทางพระพุทธศาสนา ไม่ถือเรื่องงามเป็นสาคัญแต่ถือคุณงามความดีเป็นสำคัญถ้าทำคุณงามความดีในวันเวลาใดวันเวลานั้นก็กลายเป็นเรื่องงามยามดีไปข้อที่สองทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเรื่องงามยามดีเป็นตัวจูงให้เกิดความดีงามหรือความสำเร็จผลต่างๆแต่ถือว่าตัวคุณงามความดี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 จึงนับได้ว่าคุณงามความดีเป็นตัวจูงสิ่งอื่นๆให้ดีตามข้อที่สในบางครั้งทางพระพุทธศาสนามีกำหนดการเวลาเนื่องด้วยดาวฤกษ์ก็ไม่ใช่เพราะติดในเรื่องเริ่อ ง, งามยามดีแต่เป็นการอาศัยดาวฤกษ์เป็นปฏิทินตามวิธีการคำนวณของอินเดียโบราณเท่านั้นวันเดือนปีตามกำหนดนั้น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 มีข้อควรกล่าวไว้ก่อนจะผ่านเรื่องนี้ไปอีกเล็กน้อยก็คือสำหรับท่านที่ยังติดนเรื่องเลิกยามท่านอ่านรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะขัดใจท่านอยู่บ้างก็ขอเดี๋ยวโปรดเข้าใจด้วยว่าถ้าท่านยังทิ้งไม่ได้ก็โปรด ถ, ถือของท่านตามสบายต่อไปเพราะไม่เป็นบาปตกนรกอะไรเป็นแต่จะถือจนเป็นเหตุให้ตัวท่านเองเดือดร้อนหรือเป็นเหตุเสียการเสียงานและถ้าท่านจะหัดผ่อนคลายการถือลงทีละเล็กละน้อย และหัดใจให้เข้มแข็งขึ้นถึงกับไม่ถือได้เลยในที่สุดก็หมายความว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์แล้วในเรื่องนี้ข้อสำคัญที่ถือคุณงามความดีเป็นหลักเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติจริงๆก็จะทำให้จิตใจสบายและเป็นทางสร้างความเจริญได้อย่างถูกตรงตามหลกักธรรมทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามคาสอนในพระพุทธศาสนา ผู้เขียนเด็กล่าวล้วว่ามีหลายขั้นพุทธศาสนิกจึงเลือกปฏิบัติได้ตามความสามารถหรือความสะดวกใจ